มาตาคุณนังวาตังกี่ไก่คุณแม่มีไว้สิบสองไข่จากคุณปอมอีมาสาวเอเ็ดเตะค่ารวมสามสิบสามเป็นคุณแม่ข้าตามกัมโบราน่าไว เจอนักศึกษาฟังเอาจือไอ้ผู้ใดอย่าใดล่องลืมคุณแม่ใหญ่นักลูกรักในภุมมานต้องซิมเดินแม่ยังขามได้แม่กำตางกินอันแพร่ร้อนไม่กูเตอไปไหนลูกหน่อย อดอยู่อดกินแยงแยงค่อยค่อยแม่ได้ต้องเตาไปมาการตักหาบน้ำตันไม้พาลู่ตูแม่อากูกับด้วยป่อเจ้าได้ซิมเดินแถมเกิดยังลูกเตามีกรมปิยาลูกรัก ก่อยลุ่มลาปั่นด้วยใจเตะตักเบาปันลูกใดขีเกิงลุ่มลาลูกน้อยเนื้อตัวปอเหลืองคงลูกในมือรักเหลือเปินสิงเบาฮือได้ตุกฮือมองมอนเม่งตัวเม่เงเดียวแมรัก เบาฮื้อผาตตาอยู่ใกล้สำนักเมรักลูกทนปียาสอนติวอย่างยายฝึกอย่างสองขาโปอเมสอนราอ่อนตางเต่ขาปีตาคุณนังคุณปอนั้นขามีสาวเอ็ดมาเก่าจี ผู้นี้นั่นเหยมีกุญดังนี้ผู้หาแบ่งหื้เงินคำหาเข้าหาน้ำเล่งดูนาดำหายุกหายามาปันแม่เจ้ายามแม่มีการจอยตวยลูกเต้าป่อจอยอุ้มเอาลูกหน่อย จ่อยเกียเรปันเพภพยใหญ่น้อยเบาปันรอดไกมาราปาตึงลูกน้อยพอจ่วยรักษาเบาปันรินยุงมาครบจูจี้ยามลูกไข่แป่นรูกาผียดที่มีปอกังเตาหายา หาหมอมาไปจ่อยตุยรักษาการนักหน้านาตู้ป่อขามเสียงหาเลิงลูกตอนหน้าหมอง ม, อม่อนเิงโป่เบายินฟังหม่เรื่อย้อนรักลูกตอนอดทนกูเจอเกินเพอลูกเตาใจายิง ตววถึงลูกน้อยกูเบาได้กินปอคิดขะนิงกูเบาได้ยองยามปออ ย, ยู่ไกลมีใจกิ่งคลองใจติตั้งเหินลูกน้อยคุณปอมีนำนับอ่านเบาซ้อยเบาซุดเบาสิงเนื้อนาน ข้าอ่านเน้ไว้ตียกัดหมายอ่านเนยิ่ยงใจจื้อจำกว่าหน้าเรื่องคุณมีนำคุณป่อแม่ข้าอยู่เตรียมลาก่อนต่อจักอ่านไปนำนำคำเบาพ่อคอยังเต่าอีคำโซก่อนเล่นนายเฮย